ผู้จ้าพันาอยู่ที่วัดเงินยาวเป็นเวลาพอสคัควรก็คิดที่จะออกทุดงเพื่อจาริกแสวงหาความสมบวิเวกเจริญสมณธรรมตามรอยบาทแห่งองค์พระศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ออกเดินทางพุ่งหน้าสู่สถานที่ต่างๆซึ่งบังเกิดขึ้นใ น, นมิจิาทิ่ผ่านมาโดยบ่ายหน้าไปทางจังหวัดหนองคาย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 ทีมาเข้าบัญช้านี่คนมากเป็นหมาไม้ ก, ก, ก, กเลยรบวขาจะดี๋ยคนเข้าบัญจาแจกพันรอยไทยก็แจกนะมาจัดเงิ่ที่แจกมาจ่าเงินที่อันนะเงินของสมาชิที่เข้าออกประจำเดือนนี้อยู่406คนมากสังเกต้ แล้วเงินฉันฝากไว้ฉันหาได้คนนั้นเข้าหุยที่คนนี้เข้าหวนที่เอาไปฝากไว้ขึ้มาหาเงสนุ๊บสองแสนก่าแล้วที่สำงานกาชาติสิบแสนสามก็เอาดอกนั่นแหละวัดเทียนแจกสิบกว่าไปเลย แก่ทุกปีเลยแกทุกเดือนไม่ใช่แกทุกปเดืนทุกวันนี้เหรอคะแก่ทุกเดือนที่ไหนก็างินสอเทียนะเวลาเดือนแก่ทีนึง้ที่เขออกประจำเดือนที่เขาบริษงานส่ร้อยกคนนนี้ก็าแต่บารมีว่าว่างน้อยดาก็มาคิดดูว่าเดือนนี้ตกแล้วก็แกเดือนเมื่อยังไม่เข้าบรษัแกคนละร้อทพระทัคือทั้งเนย้าวัดเลยมวัแกเนี่ย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 นางสาวเป็นสองคนออกบทบอกว่าเดียทั้งหกคนู้ก็มาเสียตายตบ้างตายบ้างตายเล็กนี่ไปแต่งานด้วยแต่งงานไปก็ยืดเจ็ดขวบแต่งงานบ้างก็หนีออกบทตัวนั้นบทเด่นเลยระษาที่วิ่งไปสั่งท้าถงด้วยอ่ะเมื่อวานโดยว่าตากุบานเข้ามาหาฆ่าม้าถงและ่อให้ัวด้วยพระตอนนี้มันเป็นทุกข์ประองเอง พ่อแม่บ้นกองให้รลพ่อแม่หัวไวไม่อกจากบ้านเลยแต่หัวแมาของโกูก็มีความเสียใจมากแล้วคนที่เกินดนีไปใหบวชแล้วกันเอาไปแต่งงานาะนะขขวันนั้นเราออกก่ท่นนเลยพาแต่งงานแล้วก็ออกไปสูบปั๊บดูหกสิบลูกกงดูหกสิบลูกอะเป็นมั่งครมั่งก็ใชยย้ดูแต่ใชู้่กองบอกพระสงฆ้แล้วพระสงก็นบวนไป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 ข้าน เ, เลวาตานี่ยํำบานมันสร้างหอวัดใหบ้านตัวนี้ตุ๊กราดิเองนีไม่ต้องสางยานโล ก, กนเลยจนมนุษย์ชาวโลกสอนชโลกภูมโลกสร้างไม่ไหวจนลูกพระรามพระองค์สร้างได้เว่าตามีฤิ์มากโุกราดิส์สร้างได้พระองค์เได้กลับมาขอยิามขาถามพระจิจุง ค่ะแต่ตนพรพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระเลวาตาเป็นยังไงบ้างอู้จิต ว, วันสู้ไม่ได้บนสวรรหกชั้นชู้ไปม่ได้หรอเป็นที่สบายมากเป็นที่ว่าดื่นดีน่ะพระาระีบุตไปเยี่ยมคราเนี้รู้สึกว่าม่นเมื่อมากตอนพระพุทธ เ, เ, เจ้ามาห้าร้อยเจอกันเป็นสาขาก็ถามอ่ะแต่บ้านว่าต้องเดินต้องขันขันเถื่อนว่าขั เห็นพระพุทธเจ้าไปวัดเณรวัดปามาพระพุทธเจ้าลา้องว่าที่กษิทักของพระหารน่ะอายุเจกดกวบก็ตามยี่สิบปีก็ตามแต่สิบปีอย่างกรตามครณล์ก็ตามพระทหานอยู่ี่หมายล่าเงินสิบั้านมันยันชี่กรรมที่สูงทำประเดี๋หมายพื้นไปพบนี่หมายจิตใจก็หากว่าตาหูจมูกที่กายละพื้นไม่มีวุติสินเลย อินทรโภคุตามีโรคหูมีโรคจบูกริงกายใจมีโรคปดเป็นมีโรคอย่างนี้เองครพระมาศพระพุทธเจ้าเป็นู้นีองแรกอรจ้าทธองค์ที่สองล้วก็ก่าพุทธะองค์ที่สามพระราชาองค์สี่กิจรา้าองค์ที่ห้าพระธุดาองค์ที่นีพระหกนี่ถ้าได้เกาปรากดเมื่อมนุษย์ล้ว จิตใจน่้นข้ามจากูทีหมดแล้วท่านไม่มาแล้วยังเหลือแต่สัญญอดกลดำสัญสญอดุลกลางพะสกิตาคาพาสมาคาเน่รักสัญญอดไปไปไป้วยในหาพาโซบารักสัญญอยในหาฐันฐานได้สองเจ็ดตัวยังเหลือแต่อวิชามุไสเจ็ตัวอวิชาสัญญอดเจ็ดตัว เนี่ยเจ็บตัวแล้วบังคับไม่ใไม่ขาดผิ้ได้ไม่ออกจากมนุษย์สวรรค์เทวโลกภพโลกใดนี่จะเกิดว่าแก่แก่ว่าเจ็บติดว่าตายไม่มีสารียงสว่างรู้เลยอวิชาแล้วที่กิกับิตทุวิชาเป็นฝ่าเติมถืวิชาฝายจริญเจริญมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติบัตพเจริญ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 หังแผนนี้แล้วมาลองวัดอริมสสัติอะไรเนีสส้ยผลทีลองวัาจิตปฏิโดภวินไมปฏิโดอกิภวปฏิโดจิตก็กกมีอยู่นี่แล้วจิตปรมาจิตวั ด, ร, ดรูป้ปรมาจิตความปรมาิตอยู่ที่ในในจิเตเองมีหลังผู้อยู่้วยรอาจิตเมื่อแคลนแล้วเอาหลังไปร้างคาไปไหนก็พุ่งพองจิตไรจิตนั้นเป็นผู้จิตคือ มนุษย์เสบาาสวรรค์เบ่าถูกดอยไม่รักเสบ่าตลอดถึงานน้รักสีนิรันรสีบบรตลอดนิรักลูกตลอดปิรักนิพานตรอดนี่าะขอให้ได้กันสัางแต่ปัจจุบันนี้ไปต่อต่อพัฒนาโคติอันาโคตให้มีสนิพานถึงดวงไปแล้วก็มีเนิพานปัจจุบันนี้ก็มีเสนิพานนิพานไม่ับทุกบ้าไม่มีทุกเลยทุกในเกิแต่เจียาเรื่องขอที่น้อชาวไทย มารู้วัดผลนี่ทานโดยสัพพันเพริ่ม